ที่ชียนชัยนั่งคัตมานนั่งคับเทียบเดี๋ยวเดยงมีข่าวทีบอกพวกเราหลวงพ่อเป็นงูสวัรค์แล้รม <c oughs> <c oughs> ันไม่มีภูมิต้านทานพวกเราเข้าไกลๆแล้วนะหาย ใ, ใจออกมาอะไรมา <c oughs> ติดเชื้อง่ายเมื่อเช้าสอนให้เรามีสตินะรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทำพูดอนะไรเนี่ยเราคอยรู้สึกไปเรื่อยเราความแล้วร่างกายทําทำอะไรก็รู้สึกไปมันจะเกามันจะคันมันจะอะไรนะรู้สึก เคลื่อนไหวยังไงรู้สึกไปเรื่อยดูมันดูคนอื่นดูเหมือนดูคนอื่นแล้วจิตใจของเราก็รู้เอามันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือมันร้ายมันโลภหลดุดหลงอะไรเงี้ยคอยรู้เอาเรื่อยๆในความเป็นจริงแล้วทุกคนรู้กายรู้ใจได้แต่ไม่รู้ว่าเนี้ยเป็นของสำคัญก็เลยละเลยไม่สนใจ ถ้ารู้ก็รู้ได้ทุกคนอย่างร่างกายของเราหายใจออกหรือหายใจเข้าอย่างเงี้ยมันยากไหมที่จะรู้ต้องวางฟอร์มไหมทำจิตคลืมๆก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าอะไรเงี้ยไม่จาเป็นเลยร่างกายจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราต้องทำจิตให้แปลกๆไหมถึงจะรู้เรารู้ด้วยจิตใจธรรมดาที่สุดเลย ดูไปด้วยจิตใจที่ธรรมดาธรรมดาเพานร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเห็นเหมือนคนอื่นเห็นคนเห็นเหมือนเห็นคนอื่นหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้สึกไปเห็นเหมือนคนอื่นยืนเดินนั่งนอนเราดูแบบไม่มีส่วนได้เสียไม่ต้องไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเดินสวยไม่เดินไม่สวยอะไรเงี้ยไม่ต้อง หายใจสั้นไปยาวไปอะไรไม่ต้องวิจารณรู้ไปอย่างที่เขาเป็นหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกเนื้อร่างกายที่เคลื่อนไหวไมันทาอะไรบ้างไหมก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดนั้นะคิดไม่เกี่ยวนะกินดื่มทําพูดเนี่ยเรื่องของร่างกายทุกคนรู้สึกได้แต่ไม่รู้ว่าตัวนี้ เป็นของวิเศษเป็นของดีเราก็ล้วเวลาเลยไม่สนใจอย่างเราหายใจไม่ต้องแต่เกิดเราไม่สนใจที่จะรู้หายใจทิ้งไปเรื่อยๆจน ก, กระทั่งลมหายใจเหลือน้อยลงน้อยลงแล้วนะทุกวันนี้ลมหายใจลดลงทุกวันนะเลืออีกกี่ครั้งก็ไม่รู้บางคนเลยไม่กี่ครั้งแล้วหายใจได้อีกแป๊บเดียวปี2ปีถ้าเดือน2เดือนอะไรเงี้เอาแน่ไม่ได้อาจจะวันนี้เลิกหายใจเลยก็ได้ ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกา ย, หายให้ยชจเข้ารู้สึกใส่ใจสนใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนมันก็ยืนเดินนั่งนอนมนาตั้งแต่เกิดแล้วล่นะมันก็แต่ว่าเราล้าเลยไม่สนใจต่อไปนี้ก็สนใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกรู้ไปเรื่อยๆรู้ซ้ําไปซ้ําไปนะวันหนึ่งปัญญามันเกิด จะรู้ว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเรียกวคุ้มดีคุ้มร้ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูความจริงของกายของใจอย่างนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติชั้นสูงด้วยซ้าไปเรียกว่าการทํามิปัสนากรรมฐาน การทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ต้องนั่งสมาธิทำต้องเดินจงกรมทำอะไรนะไม่มีฟอร์มทุกการหายใจด้วยความรู้สึกตัวเห็นความจริงว่าตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยก็เป็นวิปัสสนาแล้วใจมันโกรธขึ้นมานเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ก็เป็นวิปัสสนาละหรือเห็นว่าความโกรธเนี่ยสั่งมันไม่ได้ สั่งไม่ได้เดี๋ยวมันจะโกรธนี่ห้ามมันไม่ได้โกรธแล้วสั่งให้หายก็ไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรยๆเดี๋ยจนปัญญามันเกิดน้ําจะรู้เลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเขไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้ตัวจิตใจเองก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่าน เดี๋ยวเขวิ่งไปทางตาเดี๋ยวเขวิ่งไปทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยวเขวิ่งไปคิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปเพ่งอะไรหมุนเวียนอย่างเนี้ยห้ามไม่ได้นะค่อยรู้ค่ยดูบ่อยๆแต่ไปปัญญามันเกิดมันจะรู้ว่าตัวเราไม่มีตัวที่เห็นว่าตัวเราไม่มีนะตัวนั้นแหละเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันอย่าไปวาดภาพพระโสดาบันพระสกทาคาพระนาคาพระอรหันต์นั่นเป็นมนุษย์ประหลาดนะ บางคนว่าดภาพพาะริยาบุคคลเป็นมนุษย์ประหลาดเหมือนคนพิการมากกว่าคนปกตินะเช่นพระอรหันเนี่ยยิ้มมากก็ไม่ได้นะหาวโลกจะไม่ยิ้มบอกหน้าบึ้งไปโกรธนะทำหน้ายากมากเลยนะเวลาหัวเราะพรท้าหัวเราะแบบเม้มไวนะ้เห็นฟันไม่ได้นะเงื่อนไขยเยอะมากเลยแล้วบางคนคิดหนัก ถึงขนาดว่าพระอรหันต์เนี่ยกินอะไรก็ไม่รู้รสนะกินอาหารไม่รู้รสไม่ใช่คนพิการนี่นะคือวาดภาพอะไรซึ่งมันเหมือนหุ่นยนต์มากกว่ามนุษย์อะ่นะบางคนมีคอนเซปต์ที่ลึกเนี่ยเพิ่งมีคนมาเล่าให้คุณแม่ฟังนะเป็นรุ่นพี่นะเป็นนักปฏิบัติสำนักอื่นไม่ใช่สำนักเนี้บอกพระอรหันต์ก็เหมือนคนบ้านั่นแหละ คุณแม่ไม่วิจาร์ด้วยพระอาหารก็เหมือนคนบ้านนั่นแหละแล้วทำอะไรไม่เหมือนมนุษย์เข้าใจอะไรอย่างนั้นพระอาหารไม่ใช่ดารานักแสดงนะต้องวางฟอร์มต้องทำขลุมต้องยิ้มน้อยๆต้องเดินแบบตุมติ๋มต้วมเตี้ยมอะไรเง้ยไม่ใช่กริยาท่าทางคำพูดคำจา อาหารการกินเป็นความเคยชินเรียกว่าาสนานะไม่หายหรอกอย่างหลวงพ่อนะถ้าภาวนาวันหนึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยใชให้ใหลวงพ่อเรียบร้อยเจริญโรวอ้วกแตกเองเลยอ่ะไม่ต้องไม่มีใครอ่ะนะมันเป็นไปไม่ได้้จริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติ สิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือปัญญาความรู้ถูกความเข้าใจถูกตัวนี้ต่างอะที่เราภาวนานกันแทบเป็นแทบตายแล้วเราได้มาความรู้ถูกความเข้าใจถูกในเบื้องต้นรู้ว่าตัวเราไม่มีในเบื้องกลางรู้ว่าสิ่งที่มีนะคือร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ร่างกายนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวทุกข์บ้างสุขบ้าง ความรู้หรือปัญญาในเบื้องสูงรู้ว่าจิตใจนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บางสุขบางเป็นเรื่องการรู้ความจริงของรูปนามกายใจทั้งนั้นเลยไม่ใช่มีอะไรที่แปลกประหลาดแลวต้องวางฟอร์มเพื่อให้คนนับถือไม่มีครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันกริยาท่าทางใครเคยเห็นหลวงปู่เทศบ้างหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศงามมากเลยนะจะทาอะไรก็งาม เวลายิ้มนะเราทําไม่เหมือนท่านหรอกเราทำแล้ว น, น่าเกลียดท่านทำแน้ว ง, งามรู้จักหลวงตามหาบวัวไหยกระโดกกระเดกหลวงตามหาบวัวนั้นกระโดดกระเดกบ้างปุ๊บปุ๊บปั๊บนี่นะหลวงตามหาบวัวผู้เดองเลยบอกว่าถ้าพระทั้งหลายเนี่ยเรียนแบบกิริยาท่าทางของหลวงปู่เทศนะ์งามทุกองเลยถ้าใครเรียนแบบได้นะงามเพราะหลวงปู่เทศน์งามจริงๆ แต่ถ้าใครมาเรียนแบบหลวงตานะท่านบอกว่าไม่งามอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะคือท่านงามเฉพาะตัวของท่านงามแบบนี้แหละงามแบบนักเลงนี้แหละถ้าคนอื่นมาเรียนแบบแนละ้นมันเสสยแสงมันไม่งามหลงพ้าเคยเห็นพระบางงค์นะจะเดินบินถบายก็ขยม <c oughs> จะได้แหมเหมือนหลวงตาหลวงตาขั้นก็ไม่เดินขยมบินถ่ายอย่างนั้นหรอก เห็นท่านมีนาบัตเคยใส่บาตรท่านตั้งหลายรอบก็เห็นท่านนำท่ามอนสักทีเนี่ยเราชอบวัดภาพเรียกอะไรยุคนี้เรียกมโนมโนเฉยๆนะไม่ใช่มโนมยิธินะมโนคิดเอาเองลงมาพอนานะมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปแล้วจิตใจได้จะค่อยๆพ้นโลกไปเป็นลำดับลาดับเบื้องต้นได้พระโสดาบันเนี่ <Yeah. S 1> <anyway. S 2> ย <man> มีปัญญาขั้นต้นพระสกทาคามีมีปัญญาขั้นต้นรู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มี ม, ม, มีแต่รูป น, นามรูปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นามมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ตัวอย่างมาจากเหตุไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรจะเห็นนะครับเพรานั้นเราหัดดูลงที่กายดูลงที่ใจดูเรื่อยๆไป ร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใจมันคิดคิดดีคิดร้ายคิดแล้วสุขคิดแล้วทุกขนะ์คิดแล้วรอบแล้วกกรดแล้วหล ง, ลลงอะไรเนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเราจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็ได้ธรรมะขั้นต้นระหว่างโสดาสกถาคานาคาพระรหันเนี่นะในมุมมองของนักปฏิบัติจริงๆจะรู้เลยว่า ที่สำคัญที่สุดคือโสดาบันเพราะถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วที่เหลืออริยภูมิที่เหลืออีกสามขั้นนะั้นมันมาเองอตามมาเองเพราะฉนั้นยากที่สุดก็อันแรกนี่แหละถ้าผ่านอันแรกแล้วที่เหลือไม่ยากแล้วภานาไปสบายๆไม่เกินเจ็ดชาติไม่เกินเจ็ดชาติก็จบแล้วเป็นพระอรหันต์ยากที่สุดก็อันแรกนี่แหละ เพราะอะไรแต่เดิมมันเห็นว่าตัวเรามีจริงๆรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเนี่ยจะให้ดูจนรู้ความจริงว่าไม่มีเรามันไม่ใช่ง่ายนะอ mm hmm. ค่อยๆดูไปเ mm hmm. บื้องปลายปัญญาเบื้องกลางเบื้องปลายนาเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่คือตัวทุกเบื้องต้ น, นเห็นว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกัานามเ <c oughs> บื้องกลางก็เห็นว่าตัวรูปนั่นแหละเป็นตัวทุก เบลายนะัตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เห็นไหมนะก็เห็นว่านะนะจิตเป็นตัวทุกขนะ์นี่ลุกไก่เติบโตเต็มที่แล้วทําลายเปลือกออกมาแล้วะทําลายตัวผู้รู้ไปแั้วเพราะว่าตัวผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์จิตมันเนเดินไปเรื่อยๆนะพัฒนาไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะอยู่ที่รู้ไก่รู้ใจเท่านั้นแหละไม่มีอย่างอื่นหรอกงั้นเราคอยรู้สึกเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆสบายๆายไม่ใช่เรื่องยาก ต่อไ้ส่งกันบ้านจำเป็นก็ส่งนะไม่จำเป็นก็ส่งไหม่ครับอกว่าส่งอย่างเกิ อ, 4, 100, อ่สี่คูร้อยครันที่สี่เลยคนระับใครจีรออกนอกบ้างอยากดูคนอื่นเ็าส่งส่งไหม่แล้วยังจะส่งกันบ้านอีกอยากดูอยากดู แต่ถ้าเป็นคนไททายเราจะไม่อย่างดูเราจะราคาญ น, นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่ายกมือมากคนไททายเนี่ยเป็นคนที่คนอื่นเข า, ขาําคาญก็อยากกลับบ้านลนะอ้าว่าไปกลับนมันสะกายค่ะหลวงพ่อก็ไงอะเมื่อวานหนูว่ามันฟุงอะค่ะเมื่อวานฟุ้งก็เริ่มเมื่อวานปัจจุบันเป็นยังไงก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามัน ยังไม่ตั้งมั่นถึงฐานอ่ะมันเกินฐานหน่อยเดียวนะใจมันกระจายออกข้างนอกหน่อนิดหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากคอยรู้เอาแล้วหนูพ่อมีอะไรต่อยอดได้บ้างไหมคะให้จิตตั้งมั่นฝึกตัวนี้ให้ดีก่อนจิตยังไม่ตั้งมั่นมันสงบอยู่เฉยๆแล้วมันกระจายออกข้างนอกไปให้มันตั้งมั่นให้มันถึงฐานจริงๆ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปมวยเล็กยังพิส ก, การค่ะหลวงพ่อก็คือวันนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นบอกช่วงก่อนมันก็ไม่ค่อยมีแรงอะคะ่ะมีแรงหรือไม่มีแรงก็ไม่เที่ยงนะครับมีแรงหรือไม่มีแรงก็บังคับไม่ได้ค่ะมวยเล็กดูไปในโลกนี้มีแต่ของที่บังคับไม่ได้ มีแต่ของที่ควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเลยะก็ดูลงไปก็ท่าในใกายในใจเราเราก็บังคับไม่ได้ขวักเรียกแล้วักเอาไมอขวักทางไหนแน่ใครจำเป็นจะส่งกันบ้านขอจำเป็นนะเบอร์กเก้า เบอร์23 24 26 22 25ห่หอยลงพ่อเรียกตามความไหวของการยกนะ21เบอร์เเบอร์12เบอร์2นะเอาเท่านี้ก่อน12คนรือเท่าไหร่10คนอ่ะเบอร์9ก้าน้อมนมสักการหลวงพ่อเจ้าค่ะ หนูไปฝึกเดินจงกรมมาเจ้าค่ะแล้วไงล่ะมันเป็นการเดินเหมือนกับว่าปลุกความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเร็วบ้างช้าบ้างถ้าเริ่มหลงไปก็เดินเร็วขึ้นมาเดินดสิจะให้ตรงพ่อดูหน่อย <c oughs> ่เวลาเดินแล้วจิตมันหลงนะรู้สึกคนนี้เดินสไตล์แบบที่หลวงพ่อบอกอะเดินแรงเพื่อจะกระตุ้นความรู้สึกนะอย่าให้มันเกิดจริงนะหนูปรับตรงนี้นิดนึงเพิ่มสติลงไปสติไม่ทันที่เดินเร็วเวนี้สติตามไม่ทันลองเดินอีก แล้วจะชี้ให้ดูเอามือลงไม่ต้องถนมอย่างนี้สังเกตไหมใจเราไหลแวบบแวบบแวบบไปเรื่อยเวลาที่เราหมุนตัวรู้สึกไหมใจเราหนีไปเอาละหนูไปนั่งที่ไปหนูเดินอย่างนี้เหนื่อยใจชักเลย สติไม่ใช่ความรู้สึกตัวอย่างที่หนูเข้าใจนะไอ้นั่นเป็นการเร่าความรู้สึกตัวเร่ามากไปในขณะที่สติเนี่ยตามสภาวะไม่ทันมันแค่รู้สึกตัวเฉยๆเพราะฉนั้นมันไม่ใช่ตัวสติตัวจริงสตินี่เป็นตัวระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมาสติที่เราใช้เนี่ยเป็นสติปัฏฐานระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมงั้นอย่างเราเดินเนี่ย เราไม่ใช่ไปปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาเราเดินไปนะถ้าใจเราไหลไปเรารู้ทันอย่างที่หลวงพ่อถามหนูว่าหนูรู้สึกไหมใจมันหนีแล้วหนูไม่รู้สึกหนูจะพยายาม่เรับความรู้สึกตัวอย่างเดียวตรงนี้ไม่ถูกนะมันจะเป็นกรรมฐานที่เหน็ดเหนื่อยจะเหน็ดเหนื่อยความรู้สึกตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวสติสติเป็นตัวเรารึกได้ ว่ารูปธรรมหรือนา ม, มารมใดๆกำลังปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นอย่างเราเดินอยู่แล้วใจหนีไปคิดเนะี่ยเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดอย่าง น, นี้เรียกว่าเรามีสติอยู่ถ้าใจจะหนีไปคิดเราก็ตือนตึงๆจะไม่ให้ยอมคิดเลยนะนี่เป็นการบังคับตัวเองปลูกเร้าก็แต่ความรู้สึกจะเน้นไปที่ความรู้สึกตัวเนี่ยภาษาไทยมีปัญหานะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่มีคำหนึ่งแนละ้ว จะเล่าความรู้สึกตัวมันไม่ใช่สติมันไม่ใช่สมัมปชัญญะมันเป็นการบังคับตัวเองมากไปงั้นหนูรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกด้วยใจที่ธรรมดาไม่ใช่ใจที่เราอย่างรุนแรงถ้าใจเราอย่างรุนแรงเนี้ยหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะหลวงพ่อก็ทำเป็นเคยทาเดี๋ยวขันเรายากไหมหุ่นนี้ <Yeah. S 2> ถ้าเราลนะลานใจเฉยๆก็อยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะนอกจากลำบากหลวงพ่อเคยทำผิดเหมือนกันเคยทำอย่างนี้แหละเราคิดว่าต้องรู้สึกตัวให้เต็มที่เรื่อ่ามีสติสมบูรณ์ เราก็พยายามเล่าแล้วเล่าจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งะเรามองไปในอากาศข้างหน้าเราเนี่ยเราเห็นเป็นเม็ดเม็เมเป็นจุดจุดจุดเต็มไปหมดเลยเห็นบ้างยังเห็นแล้วใช่ไหมโหนั่นแหละลองรอยเดียวกันที่หลวงพ่อทําผิดนั่นแหละไม่เป็นไรอายุยังน้อยอยู่ยังแก้ไขทันต่อไป น, นี้อย่าไปคิดว่าสติคือการเร่าความรู้สึกตัวอย่างนั้นสติเป็นแค่ตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจ เรีู้ตัวนี้เรื่อยๆงั้นอย่างเราเดินเดินสบายๆไม่ต้องเดินเร่าความรู้สึกนะที่หลวงพ่อเพิ่งพูดจบประโยคกๆที่ว่าพระเดินมิตทบทัดเดินขยมก็แบบเดียวกับที่เราทำนี่หวังว่าจะมีความรู้สึกตัวมันไม่ใช่สติที่แท้จริงมันเป็นการเร้าอยู่เฉยๆแล้วก็อยู่แค่นั้นแหละเหนยเฉยๆใช้ใจที่ธรรมดารู้สึกร่างกายไปจนเห็นว่าธรรมดาร่างกายเป็นยังไง ใช้ใจที่ธรรมดารู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปจนรู้ความจริงว่าธรรมดาเนี้ยจิตใจเป็นยังไงทั้งร่างกายทั้งจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราต้องการเห็นตรงนี้ไม่ใช่ต้องการรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะอะงั้นเราตั้งเป้าหมายผิดในการปฏิบัติอย่าเสียใจนะเราปรับสมัยนะต่อไปเบอร์23าดีแล้วมาเดินให้หลวงพ่อดู เบอร์ยี่สิบสามนี่นี่อยู่ทางนี้โบตื่เต้นการมนมาแสดงอ ย, า ใ, ออยาให้หัวใจวายก็แล้วกันตอนนี้มันมันเป็นโกงเลยค่ะเก็ <laughs> มาจากโคราชค่ะหลวงพ่อ <laughs> ก็ส่งกันบ้านในรอบสามเดือนครึ่งค่ะล่าสุดหลวงพ่อบอกว่าให้กลับไป ตามดูรู้เท่าทันร่างกายจิตใจที่มีผลกระทบกับลูกคือเอาลูกเป็นกรรมฐานค่ะก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันความเป็นกลางมันสัด ส, ส่วนมันไม่ต่างกันจากเขาก่อนแต่ว่าสิ่งที่ดีขึ้นก็คือเราสามารถควบคุมกิริยาร่างกายไม่ให้ไปทําร้ายลูกค่ะมากขึ้นค่ะแล้วก็ หลวพ่อกว่าที่ให้ลูกเป็นกรรมฐานเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่กับลูกมากมค่ะแล้วก็แต่ว่าเดือนนี้ลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วพังพอ่อไม่มีอะไรจะเพิ่มเราก็หากรรมฐานอื่นลูกเราไม่อยู่ <laughs> เอาร่างกายนี่เป็นกรรมฐานนะร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนคยรู้สึกเรื่อยไม่ใช่รู้สึกให้อยู่นิ่งๆนะอย่างร่างกายเราหายใจไปเนี้ย แล้วใจเราสบายเราก็รู้ทันหายใจไปใจเราอึดอัดเราก็รู้ทันหายใจไปแล้วมีความสุขก็รู้หายใจไปแล้วมีความทุกข์ก็รู้เนี่ยหายใจไปก็รู้สึกไปถ้าหายใจแล้วมันซึมก็เอาการเคลื่อนไหวอยู่อยาบทนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจะกวาดบ้าน เ, นเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูไปนะเวลาตอนเย็นไปรับลูกกลับมานะ แล้วเอาลูกไปทำกรรมฐานต่อคือลูกจะเฮียนมากค่ะโดยเฉพาะที่ก่อนวันจะมาสามวันก่อนมาเนี่ยค่ะเหมือนแบบค่อนข้างจะทดสอบตัวเองมากๆค่ะที่จะไม่ไปทำอะไรลูกอะคะ่ะดีโ <c oughs> น้ระวังนะมันมีอนุสัญญาเรื่องสิทธิเด็ก <c oughs> ของยนะูเอ็นอะเมืองไทยเป็นพาชีด้วยนะ <c oughs> ค่ะค่ะขอประกาศของคุณคะ่ะหลวงพ่อคะเดี๋ยวลูกมันโตขึ้นมามันไปฟ้องอยู่เขอเมตตา ม, มากับน้าสาวค่ะเมื่อสักครู่นี้จะยกไม่ทันนะอ้อาวว่าไปนะนี่น้าสาวก็ตื่นเต้นเหมือนหลานสาวเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปเรียนที่โคราชไป ท, ทุกเดือนแหละ ไป ห, หาหลวงพ่อพุธที่วัดป่าสารวัตรอ้าว่าไปกลับมานาจการค่ะหลวงพี่รู้สึกไหมว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันรู้นั่นแหละขันมันเริ่มแยกแล้วละ่ะพอขันมันแยกได้นะมันเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาต่อไปเราก็จะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราคอยรู้สึกไปเรื่อยเร่างกายที่หายใจไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปเรื่อย ร่างกายที่ไม่สบายเจ็บป่วยไม่ใช่ตัวเราเรารู้สึกเรื่อยๆดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจิตใจก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านดูอย่างนั้นแหละทำถูกแล้ววัยยี่สิบสี่เห็นไหมตื่นเต้นมากหนวงพ่อพูดแทนไม่ต้องพูดเลยส่งกันบ้านเสร็จแล้วยี่สิบสี่อยู่ที่ไหนอ ย, อยู่นี่ค่ะหลวงพ่อ ตามมัมศกาลหลวงพ่อค่ะมาส่งการบ้านครั้งแรกนะคะแต่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของหวพ่อมาเอ่ก็เกือบสิปีแล้วค่ะนะคะอตามรู้รู้จิตอยู่เนอืองๆแต่ว่าในส่วนลึกๆในใจแล้วรู้สึกว่าบางครั้งยังพร่องไปะะอ่ะค่ะวันนี้เลยจะมาขอการบ้านนะคะที่ฝืก อ, อยู่กพอได้นะขันมันก็แยกนแล้วล่ะต่อไปเราก็ดูขันที่เขาทํางานไม่ใช่ตัวเรา ตัวอย่างนี้ไปเรื่อยแต่อย่าให้ความคิดนำไปนะไม่ต้องไปคิดนำปัญญาําหน้ากไปตามดูปัจจุบันไปเร่ยร่างกายในปัจจุบันนี้แหละเดี๋ยวมันก็เบาเองมันแสดงเองว่าไม่ใช่เราหรอก <นะ S 1> ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันก็เกิดเองดับเองวนเวียนเปลี่ยนแปลงเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆไปทำอีกไปความสงบยังไม่พอนะ ใจยังพุ้งสั้นอยู่เพราะฉะนั mm ้น hmm. ทำสมถะบ้างเัน่ยี่สิบหกการนมัการค่ะพระอาจารย์มาส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะแล้วก็ฟัง YouTube มาได้สามเดือนค่ะ mm hmm. แล้วที่ปฏิบัติอยู่ก็คือตอนแรกดูจิตค่ะดูจิตมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ทำในรูปแบบพอทำในรูปแบบแล้วก็เริ่มดูจิตไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ ก็เลยลองมาดูลมหายใจเลยไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เอาวิธีการปฏิบัติที่ทำอยู่นี้ถูกต้องจไปอยากดูลมหายใจก็ดูไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสบายยหายใจไปแล้วจิตใจสงบเพระรู้ทันหายใจแล้ววันนี้ฟุ้งซ่านรู้ทันหายใจแล้วสุขหายใจแล้วทุก็เคยรู้ทันเนี่ยมันจะกลับมาดูจิตได้ ใช้ลมหายใจเป็นฐานแล้วเสร็จแล้วเราก็ลับมารู้ทันจิตเวัยยี่สิบสองกราบนมัสการเจ้าค่ะมาจากโคราชเจ้าค่ะแล้วก็มาเป็นครั้งแรกค่ะจะมาขอกรรมาฐานเจ้าค่ะอืกรรมาฐานเหอเรอผมคนเล็บพันหนังขอกันไม่ได้ของใครของมัน ตอนนี้กำลังยิ้มอยู่รู้สึกไหมรู้สึกจ้ะค่ะ ย, ยักหน้ารู้สึกไหมรู้สึกสบายๆนะไม่ไม่ทำใจเฉยๆแล้วก็รู้สึกเายิ้มแล้วรู้สึกแล้วยักหน้าแล้วไม่ต้องปรุงแต่งจิตนะให้จิตเป็นธรรมชาติธรรมดารู้สึกสบายๆสบายอย่างเมื่อกี้ใจหนีไปคิดแว บ, บหนึ่งรู้สึกไหมรู้สึกจ้ะค่ะอย่างนั้นใช้ได้ เงือนต่อไปนี้นะเราคอยรู้สึกร่างกายไว้แล้วพอใจเราหนีไปคิดเราก็รู้ใจหนีไปคิดเราก็รู้ไม่ห้ามนะเจ้าค่ะแต่ว่าคอยรู้ทันถ้าหนีไปคิดแล้วไม่รู้เราจะหลงวัยยี่สิบห้าใช้ได้นะทีมโคราชเนี่ยใช้ได้ทุกคนเลยกราบนวัส ก, การหลวงพอ่อเจ้าค่ะนี่แหละโคราชหรือเปล่ามาจากโคราชเจ้าค่ะโอ้ดี ฟัง youtube เ ร, เริ่มฟัง youtube เมื่อวันเข้าพรรษาเป็นวันแรกค่ะจนถึงปัจจุบันค่ะแต่ว่าฟังไม่ค่อยสม่ําเสมอเจ้าค่ะแล้ววันเข้าพรรษาทีนึ่งออกพรรษาทีหนึ่งระหว่างพรรษาก็หลายครั้งอยู่เจ้าค<อ>่ะเกือบทุกวันนะเจ้าค่ะแต่ว่าไม่เป็นเวลาค่ะวางๆขึ้นมาก็ฟังฟั ง, งแล้วก็สังเกตตัวเองอย่างเราช่างพูดรู้สึกไหม ใจมันจะพูดอะไรเงี้ยใจมันอยากพูดเี่ยเราก็รู้ทันนะใจมันเป็นยังไงเราก็คอยรู้ทันไปฟัง YouTube youtube ก็ฟังเล่นๆไปแล้วต่อไปเราร่างกายเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกแตตอนนี้จิตใจหนีไปคิดทราบไหมเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยรู้สึกตัวดีนะขณะนี้รู้สึกตัวดีแต่ตรงนี้ไม่ดีล้ไปรวบจิตเข้ามาล มันจะนิ่งๆคือดันจิตที่ดีคือจิตธรรมดานี่พยายามจะทำธรรมดาไม้เหม่งแล้วใช่เจ้าค่ะเจตนาทำธรรมดาเลยผิดธรรมดานะตรงที่ไม่ได้ทำอะไรรู้สึกไปสบายไม่ได้ทำอะไรตรงนั้นแหละถูกาเราไม่ทราบว่าจะขอการบ้านใช่ฝึกอีกที่ฝึกอยู่ใช้ได้เจ้าค่ะกลับกับพระคุณเจ้าค่ะ รู้สึกตัวเป็นแล้วขันแยกแล้วต่อไปอย่างนี้เห็นใจที่เบิกบานไหมหลวงพ่อบอกขันแยกก็ยิ้มมันยิ้มออกมาจากข้างในจใจมันเบิกบานเบอร์ยี่สิบหนึ่งกลับนมันสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ขอโอกาสขอกันบ้านกับขอวิหารธรรมเจค่ะวุ้ยขอเยอะจังวิหารธรรมก็ขอตัวเองจะไปขอใครวิหารธรรมถ้าไม่ใช่กายก็ใจนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆมีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจอย่างตอนเนี้ยใจเผลอและ้วรู้สึกไหมมันเผลอหนีไปคิดลแล้วเราก็รู้ทันว่ามันเผลอไปแล้วเผลอได้แต่ไม่ให้เผลอนาน เราเรารู้ไหวไนไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันดิ้นซ้ายทีขวาที ค, ครุคกรับครุกรักนะรู้ทันอย่างที่เขาเป็นไม่ห้ามถึงวันหนึ่งเราจะรู้ความจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจริตนี้ทำงานได้เองไปฝึกเรื่อยๆไปเบอร์เจ็ดการวักาหลวงพ่อครับส่งกันบ้านนะครับ ช่วงที่ฟังหลพ่อก็คือเห็นจิตว่าไปคิดตามหลวงพอ่ออะไรนะตอนที่ฟังธรรมะเนี่ยครับ <c oughs> ก็ไปคิดตามหลพ่อบ้างออพอรู้สึกตัวก็มาดูร่างกายขยับบ้างบางครั้งก็มีควาสุขบ้างเลยครับที่ฝืออยู่โอเคนะใช่ได้ทำอีกอบคครับเราไม่ได้ไปแทรกแซงจิตแล้วปล่อยจิตมันทำงานเรมีสติตามเราลึกรู้ไป ใจมันก็โปร่งโล่ ง, ลงเบาสบายเป็นคนดูสบายๆเราไม่เข้าไปแทรกแซงระวังเรื่องเข้าไปแทรกแซงนะยังยังแทรกแซงอยู่คอยรู้ว่าเบอร์สิบสองนุ่นอยู่ท้ายห้องนามาสัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ส่งการบ้านมาสองปีคะ่ะเหรอ ส่งครั้งแรกที่ที่ขอนแก่นค่ะออืมอโนยังปฏิบัติอยู่ในร่องในรอยไหมคะกิเลสเกิดแล้วรู้ไหมค่ะถ้ากิเลสเกิดแล้วรู้ใด้บ่อยๆนะับปฏิบัติอยู่ในร่องรอยอย่างถ้าโมโหขึ้นมาไม่รู้อะไรอย่างี้ก็ไม่อยู่ในร่องรอยนละ้ว <c oughs> งั้นอยรู้ทันกิเลสทั้งหลายขุดขึ้นมารู้ทันกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันรู้บ่อยๆ เบอร์สองนี่หลวงพ่อโดนหมอวางยามนาะล้วหลวงพ่อเทศแล้วหลับไปช่วยเรียกด้วยนะหมอบอกว่ายาตัวนี้ฉันลงง่วงนิดหน่อยอืมถ้าจะหน่อยกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะว่าไง มาจากจังหวัดน่านค่ะแล้วเออมาไกลแล้วไงล่ะขอความเมตตาจากหลวงพ่อค่ะเคยรู้ทันใจของเราไครนะดูใจดูกายหนูทิ้งกายไม่ได้นะะเราเป็นคนรับสวยรับงามอะไรเงี้ยเรารู้สึกร่างกายเรด้ว ย, วยเจ้าค่ะเวลาเราจะยิ้มเวลาเราจะเคลื่อนไหวอะไรเนี้ยเคยรู้สึก เ, เห็นเมือนคนอื่นเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นมือนคนอื่นเคลื่อนไหว รู้สึกกายรู้สึกใจไปด้วยใจที่ธรรมดาธรรมดาไม่ดัดแปลงว่าใจจะต้องขลึมขึมเครียดเครียดอะไรย่างนไม่ต้องใช้ใจปกติเลยเจ้าค่ะไปดูเอาออไปเจ้าค่ะอยู่ตรงนี้อีกสองคนเมื่อกี้ยกไปยังไม่ได้เรียบเบอร์หกับเบอร์แปดส่งไมมาด้านหน้ามา ไงคุณอ้อยทำรีสอร์ทยังขายดีอยู่ไหมนี่นะตามเป็นตั้งเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่รีสอร์ทโฮมสเตย์อยู่ที่อยุธยาแล้วก็มาบน่นกับหลวงพ่อนะไม่ค่อยมีลูกค้าเลยเงียบเหงาหลวงพ่อไปนั่งเฉย เชียยนะตอนนี้มาบ่นอีกแล้วเหนื่อยจังเลยเอ้าวอยากรวยก็ต้องเหนื่อยสิเนาะหรือ่อยทาทางเบื่อความร่ำรวยอ้าวว่าไปครับกรมากการของพ่อครับผมก็ผมปฏิบัติตามคำสอนของพ่อจาก Youtube ครับผมเรียนทูกายเรียนดูใจที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบนันนี้รู้ถูกต้องไหมครับถูกไปดูอีก แล้วเราจะถูกมากขึ้นเรื่อยๆนะเราฟังไปเรื่อยๆนะเราปฏิบัติไปใจมยนจะ ค, ค่อยๆปรับต่อไปดีกว่านี้ <ผม S 1> ตอนนี้ก็ดีแล้วล่ะก็ผมอยากทราบว่าเในระหว่างวันนะครับต้องเพิ่มเติมส่วนไหนที่จะรู้ระหว่างวันได้มากขึ้นกับพ่อก็ร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกไปด้วยบางคนคก็เพิางอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรอย่างนี้ก็ทําได้หาอสักอันหนึ่ง ของคุณดูกายก็ดูได้ชัดอยู่เพราะงะั้นร่างกายเครืคร่อนไะหวเรารู้สึกแปดนะพอจิตใจมันเป ล, ลี่ยนแปลงเราก็รู้ทันจิตใจนะใช้ได้แล้วล่ะที่ฝึกกานดีช่วรัละครั บ, ร บ, รบขอบคุณมากครับเบอร์แปดกรับน้ำมันสมการหลวงพ่อค่ะค่ ะ, ะตอนนี้ก็ปฏิบัติในรูปแบบค่ะมีตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะมีเดินเดินดูกาย อะไรนะกายเดินะ <đ> e ใจเป็นของดูก็อย่างนั้นอย่างดีแล้วก็14จังหวะบางครั้งค่ะอื <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคือเหมือนเห็นโทรศัพท์เร็วขึ้น <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นใช้ได้นะเราวัดความก้าวหน้าของตัวเองเนะี่ยโดยการที่ถ้าสติเราเกิดบ่อยไหมถ้าสติเกิดบ่อยเราจะรู้สภาวะบ่อยเช่นโทรศัพท์เกิดบ่อยเราก็เห็นบ่อยอย่างนี้ถือว่าเข้าวหน้า ใจเราเป็นคนดูั้ยใจตั้งมั่นไหมถ้าใจตั้งมั่นเป็นคนดูได้บ่อยก็ถือว่าก้าวหน้าขึ้นเราเห็นรูปนามแยกออกไปได้ไหมถ้าแยกออกไปได้ก็ก้าวหน้าขึ้นเราเห็นรูปนามแต่ละตัวแสดงไตรลักษณ์ได้ไหมถ้าเห็นได้นี่ก้าวหน้ามากเลย<ม>ไปฝึกไปเอาหมดแ ล, ะละ้วลาชัยกับบ้าน ง่ายย่งพี่หมอพี่หมอชาญชัย <c oughs> พี่เจงจะไปเที่ยวประเทศไหนเห็นหมอสรงยศบอกชวนไปเที่ยวประเทศไหนออฟที่ออเชียงใหม่เห็นหมอสรงยศมาแล้วเรื่องเรเจ็บปเหมืองนอก <c oughs>